นักมวยเนาะให้พภานาแบบคนดูมวยดูห่างๆสบายๆ ย, นะยิ่งท่าใจของเราเป็นกลางนะเราจะได้เห็นความจริงชัดเจนยิ่งขึ้นอีกส่วนเราเป็นกรรมการเป็นกรรมการที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติเชี่ยข้างน้นเชี่ยข้างนี้ยิ่งถ้าดูวงนอกด้วยแล้วยังดูอย่างเป็นกลางด้วยนีถึงจะดีถือจะเห็นอะไรตรงไปตรงมา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 ที่เหลือเนี่ยมายืมาธาตุของโลกมาของอาหารของอากาศของน้ําอะไรนี่เอามาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง <ๆ S 2> ไว้จนมันตัวโตขึ้นมาจิตก็มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็เลยสําคัญมั่นหมายว่านี่เป็นตัวเราจริงๆที่จริงแล้วเป็นเปลือกเท่านั้นเองเป็นเปลือกใครรู้จักปูเสฉวนบ้างจักไหมรู้จักไห ม, ไ ห, ม ห, หนูปูเสฉวนหน้าตา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 เป็นแสงพระอาทิตถ้าเทียบไปนะกับภูมิทำรรก็ระดับผ้านาคานะยังมีจุดอยู่ให้กันบ้านหลวงพ่อไม่อยู่เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งนี้นะ้ําไปฝึกจิตเคลื่อนเรารู้จิตเครื่อนเรารู้ฝึกให้ชํานาญเลยนะถ้าชํานาญแล้วนะก็หัดแยกขันเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเองนะไม่ใช่ไปจงใจดึงจิตขึ้นมาแล้วดนันร่างกายออกไป